พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพู ทำไมเกิดมาไม่เหมือนกันล่ะไม่เหมือนกันคือความประพฤติผู้นี้เขาประพฤติดีเขามีการรักษาศีลมีการให้ทานมีการสะดับรับฟังเขาจึงมีปัญญาดีมีการศึกษาเล่าเรียนดีอยู่ไหนก็มีแต่กรรมดีเท่านั้นแหละกรรมจำแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างๆกัน มันเป็นเพราะกรรมพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ว่าตายแล้วศูนหรือตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านไม่พยากรณ์ว่าสัตว์นี้มันจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกถ้ามันยังทํากรรมอยู่ก็ต้องได้รับผลกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันต้องได้รับผลตอบแทน ครั้นทำแล้วจะไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นไม่มีคิดดูเหมือนเขาไม่ยืมปัจจัยของเราไปยืมแล้วเขาก็ต้องตอบแทนครั้นไม่ตอบแทนก็ต้องเป็นท่อยเป็นความกันทำแต่ความเดือดร้อนเขาจะต้องตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างคิดดูเหมือนพวกเราเหมือนกัน ทำกรรมกันอยู่ผู้นั้นก็ต้องตอบแทนเราทำดีผลดีก็ตอบแทนทำชั่วผลร้ายก็ตอบแทนเราให้ได้รับความลำบากมันตอบแทนกันอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพวกเราควรทำให้เป็นกุศลควรรักษาศีลให้สมบูรณ์ศีลสมบูรณ์แล้ว เราก็อบรมทำสมาธิต่อไปมันจะมีความสงบสงดมันจะรวมมันจะขัดข้องก็ที่อาการของศีลของเราอย่างใดอย่างหนึ่งมันผิดพลาดมันขัดข้องมันจึงไม่รวมการรักษาศีลเหมือนกับการปราบพื้นที่ที่เขาจะปลูกบ้านปลูกช่องเขาก็ต้องปราบพื้นที่เสียก่อน เขาจึงปลูกลงไปอันนี้ชั้นใดก็ดีถ้าพวกเรารักษาศีลให้บริบูรณ์แล้วเหมือนปราบพื้นที่จิตมันจึงไม่มีความเดือดร้อนไม่มีหลักมีต่ออะไรปลูกลงไปมันก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนจิตมันจะรวมอยู่เพราะมันเย็นมันราบรื่นดี มันเรียบไม่มีลุ่มดอนพากันทาไปอิริยาบททั้งสี่นั่งนอนยืนเดินพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแล้วก็ไม่ใช่เป็นของหนักของเบาเลือกในใจจะเอาอะไรก็ตามแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตของเรา มันถูกกับจริตอันใดมันสะดวกใจสบายใจหายใจดีไม่ขัดข้องฝืดเคืองอันนั้นควรเอาเป็นอารมณ์ของใจพุโทโธพุโทโธหมายความว่าให้ใจยึดเอาพุโทโธเป็นอารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้จิตออกสู่อารมณ์ภายนอก อารมณ์ภายนอกมันก็ไปจดจ่ออยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความถูกต้องทางกายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปจดจ่ออยู่ที่นั่นจิตมันไม่ลงนี่แหละเรียกว่ามารเรียกว่าเป็นมารคือไม่มีสติ อย่าให้มันไปคอยควบคุมไว้ให้มาอยู่กับผู้รู้ให้มาเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หรือจะเอาพระธรรมเป็นอารมณ์ธรรมโมธรรมโมก็ตามสังโฆก็ตามหรืออัตถิอัถิกระดูกกระดูกก็ตาม ระลกอยู่นั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเดิอนอยู่ก็ตามเอามันอยู่อย่างนั้นหลับไปแล้วก็แล้วไปนั่นเป็นของไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพระพุทธเจ้าก็ว่าอยู่ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลงชั่วช้างพาับหูงูแลบลิ้น ชั่วไก่กินน้ำหนึ่งอนิสง์อักโขอักขังตั้งใจทำไปมันลงไปบางครั้งลงไปมีสามขั้นสมาธิขณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิขณิกะสมาธิราบริกรรมไปพุทโธก็ตาม อะไรก็ตามจิตสงบไปสบายไปสักหน่อยมันก็ถอนขึ้นมาก็คิดไปอารมณ์เก่าของมันนิคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิลงไปนานหน่อยก็ถอนขึ้นมาไปสู่อารมณ์อีกภาวนาอยู่ไปไปมามาอย่าหยุดอย่าย่ยายอน แล้วมันจะค่อยเป็นค่อยไปหรอกทำไปทำไปจะให้มันเสียมันไม่เสียเป็นก็ไม่ว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าแล้วแต่เขาอย่าไปนึกอันเรื่องเราทำทุกสิ่งทุกอย่างมีกรรมอะไรก็ตามเราก็จะเอาเนื้อและเลือด และชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมถวายบูชาพระสงฆ์ต่างหากความอยากนี่พึงเข้าใจว่านั่นแหละหน้าตาของตัณหาอยากให้มันเป็นอยากให้มันลงโดยเร็วอันนี้แหละนิวรร์ตัวร้ายให้ตั้งใจว่า ไม่เป็นก็ไม่ว่าหรอกเราจะเอาชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ตลอดวันตายนี่ก็เป็นมัชิมาปฏิปทาเราอยากนั่นก็เป็นตันหายืนขวางหน้าอยู่จิตจึงไม่ลง